เมื่อวันศุกร์ใครมาฟังเทศบ้างโทษตดนนะอยู่แถแต่วันศุกร์เมื่อวันศุกร์มีเทศมหาชาติหลวงพ่อไม่ได้ประกาศใครอยู่แถวนี้ใครได้ยินได้ฟังก็ามากเองประกาศไม่ไหว เดี๋ยวเหมือนทอดกระถินคนเยอะเกินมันเทศไปถึงื่องคืนรับไม่ไหวเดี๋ยวข้างนอกลำบากยุงอะไรต่ออะไรชุมพระเมสสันตอนเมื่อก่อนเป็นเรื่องสำคัญเป็นงานบุญประจำปีทางอีสานเรื่องบุญพระเวท มีทุกภาคภาคกลางส่วนมากทำเดือนสิบสองเวลาฟังเรื่องพระเมสสันดอนก็ได้ประโยชน์ตามสติปัญญาเป็นบุญที่ทำยากเพราะว่าเป็นกิจกรรมทำยากเป็นงานใหญ่ฟังเทศต่อกันสิบสามกัน ในวันเดียวนันจะต้องใช้ความอดทนสูงในการฟังอะไรที่ต้องตั้งเจตนาแรงเนี่ยถ้าเป็นการทำความดีมันก็เป็นบุญที่แรงถ้าเจตนาทำบุญแรงนะอันนี้สูงก็แรงส่วนมากเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าถ้าฟังมหาชาติ สิบสามกันในปันเดียวทั้งฝังทั้งคืนนั่นแหละส่วนใหญ่ต่อไปจะได้เจอพระสียานนะมันก็เป็นอุบายที่ดีปลูกฝังให้คนนะมั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างถ้าเรา มาทําบุญแล้วเราตั้งความปรารถนาทําบุญที่ทําได้ยากนะทําคนเดียวนี่ทําไม่ไหวตั้งความปรารถนาว่าจะได้เจอพระสียางใจมันจะไม่ทะเลทลายออกไปนอกพระพุทธศาสนาง่ายๆคล้ายๆปแรแกรมจิตไปแลนะ้วจะมุ่งไปหาพระสยาลยะไม่ไตร อันนี้สำหรับพ่ะอินซียอ่อนมีเจตนาแรงกล้าทำกรรมที่มีผลแรงความปรารถนาก็มีโอกาสสำเร็จแต่ถ้าคนมีสติปัญญามากฟังพระเวสสันดรเราจะรู้มีธรรมะที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ข้างในพระเวสสันดรทำทานเป็นหลัก บารมีอื่นอีกเก้าข้อทําทั้งหมดทําทุกข้ออย่างพระเวสสันดรเ น, นี่ยตั้งใจมั่นในอธิษฐานและบารมีทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่แค่วิสุท ธ, ธิแบบสาวกสาวกมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพด้นเทนั้นแต่พระโพธิสัตุมุ่งสัมมาสัมโพธิญาณสูงกว่า มีสุทธิธรรมดาบุ่งไปสอนไปช่วยคนอื่นท่านจะบริจาคทรัพย์สินท่านก็บอกว่าเป็นไปเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าบริจาคช้างบริจากรถก็เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าใช่มมีความตั้งใจแน่วแน่ของเราขอให้รวย ขอให้สวยขอให้สำเร็จอย่างน้งนอย่างนี้โน้นแต่สนองกิเลสทั้งหมดเลยในขณะที่พระเวสสันดรเ น, นี่ยมุ่งจะไปช่วยคนอื่นอยากได้ธรรมะไปช่วยให้คนให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์คนละชั้นกันทําไมการทำทานของท่านเป็นเรื่องใหญ่ทานที่สำคัญนะมันมีห้าระดับอันแรกบริจาคทรัพย์สิน อนนี้ของนอกตัวเองพวกเราก็ทําได้ทําได้พอสมควรทําได้ไม่มากมีไม่มากบริจาคอาวัยวะร่างกายอย่างเราบริจาคเลือดบริจาคตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยบริจาคนี้เป็นการทําฐานที่สูงขึ้นมาแต่ไปบริจาคสละชีวิต เสียสละชีวิตเพื่อคนอื่น <S <S เพื่อสัตว์อื่นได้นีเป็นฐานที่สูงขึ้นไปอีกถัดไปเป็นอะไรบริจาคอะไรบริจาคลูกไหวไหมบริจาคลูกบางคนก็บริจาคนะมีลูกขึ้นมาก็ทาแทงแล้วอย่างนั้นไม่เรียกว่าบริจาคไม่ได้อยากได้ถ้าเรามีความรักลูก อย่างเหนียวแน่นแล้วต้องบริจาคลูกเป็นเรื่องยากมากรัลกลูกบางทีรักยิ่ยงกว่าตัวเองสังเกตไมมท่านจัดลำดับไหมบริจาคชีวิตตัวเองยังง่ายกว่าบริจาคลูอีกแล้วก็บริจาคเมียให้ผู้ชายอื่นไปงคนยุคนี้ก็ประนามว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนคนละยุคกัน ที่จริงพระเวสสันดรจะมีหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ธรรมะที่ซ่อนอยู่นลึกซึ้งมากถ้าเราอยากถึงฝั่งแห่งพระนิพพานนะกระทั่งจะเป็นสาวกนเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเนี่ยมันต้องกล้าสละชีวิตเพื่อธรรม ะ, ะสละทุกสิ่งที่ตัวเองผูกพันผูกพันในทรัพย์สมบัติในร่างกายในชีวิตในลูกในเมียในเนี่ย ใจต้องกล้าที่จะสละได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดเราไว้กับโลกคนโบราณสอนนะว่ามีลูกก็เหมือนมีห่วงผูกคอมีเมียมีสามีเหมือนมีปอผูกศอกผูกมัดไหมมีทรัพย์สมบัติเหมือนมีปลอกผูกขาไปไหนไม่รอด เวลาห่วงสมบัติไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้าไว้มีลูกมันถูกลัดคอจะกินอะไรก็ไม่สะดวกนะคิดถึงลูกลูกยังไม่ได้กินกินไม่ลงมีเมียหรือมีสา ม, มนะีเราเสียอิสระภาพรู้สึกไหมถ้าใครมีแล้วบ้างใครมีเมียบ้างมีไหมมิได้สดๆเลยเหรอเนี่ย รู้สึกไหมว่าเราเสียอิสรภาพบางส่วนไปนะเราทำอะไรไม่ได้ตามใจชอบอย่างแต่ก่อนผู้หญิงก็เหมือนกันมีสามีนะก็เสียอิสรภาพไปบางส่วนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดเราไว้กับโลกถ้าเราอยากพ้นโลกเข้าถึงวิสุทธิวามบริสุทธิหรือสัมมาสัมโพธนะิมีพยานตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรางออกจากโลกให้ได้เรองสละให้ได้พระเบสสนอ น, นสละให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเราเตือนตามในเวลาที่จะข้ามภบข้ามชาติเนี่ยมันสละจริงๆอย่างต่าสละชีวิตอย่างถ้าเราเป็นพระเนี่ยเราสละลูกสละเมีอยออกบวชแล้วออกจากครอบครัวไปชายเดียวนะ ไปตายที่ไหนไม่สำคัญแะแต่จะมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นวางลูกวางเมียไปเหลือตัวเองเหลือร่างกาย อ, อะไรนี้ติดตัวอยู่เวลาภาวนาในขั้นแตกหักเนี่ยมันผ่านด่านที่สำคัญคือด่านของความตายครูบาอาจารย์พูดเหมือนกันทุกองค์เลยว่านิพพานอยู่ฝากตาย รอดตายมานะถึงเจ อ, อนิพพานในขณะที่กำลังทำสงครามแตกหักมันจะเห็นทุกข์ทุกข์นี้มหาศาลจริงๆนะบางองค์ท่านเห็นรูปเห็นทุกข์ของรูปทุกข์เหมือนเอาภูเขาทั้งลูกนะลงมาขยี้ลงมาในร่างกายเนี่ยถ้าใจิตใจอ่อนแอรักตัวเองมาก จิตมันจะถอยทันทีเลยไม่กล้าเดินจิตต่อไปจะถอดอย่างถ้าบรรลุในอิริยาบดนั่งหรือ อ, อ, อิริยาบดเดินอะไรเงี้ยอิริยาบดนอนก็มีบรรลุนะส่วนใหญ่ก็นั่งก็เดินนั่งอยู่ถึวนะ่นั่งเก้าอี้หรือนั่งใต้ต้นไม้นั่งภาวนามันจะเห็นทุกข์ขึ้นมาเห็นร่างกายเนี่ยทุกข์แสนสาหัส ข, ขึ้นมา หรือบางท่านจะเห็นจิตเนี่ยทูกแสนสาหัสขึ้นมาทูกเหมือนภูเขาขยี้ลงมาะถ้าท่านที่ดูกายเห็นเหมือนภูเขาขยี้ลงในกายท่านที่ดูจิตเห็นเหมือนภูเขาทั้งลูกนะี่ยขยี้ลงมาที่จิตบดบดบดไม่ใช่ทับเฉยๆนะมันหมุนด้วยเหมือนหมุนโม่แป้งสมัยโบราณรู้จักโม่ไหมใครเคยเห็นมั้งโมหมุนใช้มือหมุนนะ ไม่ใช่มูลินิตนะอย่างนั้นดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่อย่างมากก็นิ้วขาดอันนี้มันไม่ใช่ยี่จิตซึ่งบุญบา ร, รมีไม่พอนะมันจะรักตัวกลัวตายแล้วมันจะถอยนั่งอยู่อย่างนี้นะไม่เอาล้วเดี๋ยวตายลุกขึ้นดีกว่าลุกขึ้นเดินะหรือดูจิตใจอยู่นั่งอยู่นะีถ้านั่งต่อไปเนะี่จิตจะระเบิด จิตระเบิดแล้วตายแน่นอนมันรู้สึกอย่างนั้นเลยกพอยอมสละธรรมะเพื่อรักษาชีวิตลุกขึ้นไม่เอาแล้วถ้าบารมีแก่กล้าเวลาจะแตกหักนะมีความรู้สึกเหมือนร่างกายจะแตกระเบิดจิตใจเหมือนจะระเบิดนะยอมสละ ตายเตายขอดูหน่อยว่าระเบิดเราจะเป็นยังไงเฝ้าดูอย่างา้ในที่สุดมันก็ระเบิดจริงๆนะสลัดเปรี้ยงออกไปสลัดเอาขันห้าออกไปเลยโดยเฉพาะตัวจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูถูกสลัดทิ้งไปจะผ่านด่านนี้ได้ใจต้องแข็งจริงนะอย่างที่ พระเวสสันดรบอกเป็นชาติสุดท้ายจริงๆเป็นชาติสุดท้ายที่เป็นมนุษย์ถัดจากนั้นก็ไปเป็นเทวดาสันดุสิตอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งตรัสรู้จะเรียกว่าชาติสุดท้ายก็พูดได้เหมือนกันเพราะกระ บ, บวน่าสุดท้ายในการจะข้ามภพข้ามชาติก็คือยอมตายยอมสละทุกสิ่งทุกอย่าง กับสระทุกสิ่งทุกอย่างได้จิตยะเด็ข้ามฝั่งไปถึงพระนิพพานได้เิ่นบางคนฟังเรื่องพระเภศสันดอแล้วจิตห้าวหารไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรภาวนาด้วยใจเดีดเดยวเก็ไม่ต้องรอพระสิยานแะล้วจบซะในปัจจุบันชาติก็ทำได้อยู่ที่อินทรีย์ของเราแก่กล้าแค่ไหนบารมีของเราแก่กล้าแค่ไหน บารมียังไม่แก่กล้าก็ตั้งความปรารถนาไว้แล้วทาบุญที่ทําได้ยากอย่าจาัดสวดพระเวสสันดรเนีย่ยเทศพระเวสสันดรทํายากของบูชากันเทศก็เยอะแยะเลยเพราะว่ามีพระหลายองค์เทศทั้งสิบสามกันในตําราบรอกว่าก็มีผ ล, ลไม้อย่างนี้พันหนึ่งอย่านี้นะ ห, ห, ห, ห, หลักพันทั้งนั้นเลยบริจาคกัน ทรัพย์สินเงินทองมากมายอันนี้คือฝึกตามพระเบษสนอนขั้นที่หนึ่งละฝึกสละทรัพย์สินแล้วยอมลำ บ, บากนะจากธรรมทั้งวันทั้งคืนนี่คล้ายๆสละร่างกายมันปวดหลังปวดไหล่ก็ทเนเอามันยังไม่ถึงตายหรอกแต่บางคนอาจจะตายก็ได้ถ้าไม่แข็งแรง ฟังทั้งวันทั้งคืนอาจจะตายถ้าตายตรง น, นั้นก็ไปเป็นเทวดาได้แต่ขนาดจิตสุดท้ายตอนจะตายแล้วนึนกนะกูไม่น่ามาฟังเลยนะอันนี้ไม่ไปสวัสด์หรอกนะจิตเนอกุศลแล้วนะแล้วแต่เวียนแต่กลรรับนาทีสุดท้ายยังในเรื่องพระเวสสันดอนี้นะให้ธรรมะตั้งแต่เบสิกเลยสอน จะให้เรารู้จักเสียสละอะไรเนี่ยโดยมีเป้าหมายเป้าหมายของเราไปพบพระเมตไตรเป็นเป้าหมายที่ดีหรือที่เลวไม่เลวก็เป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยังอยากเกิดอยากตายในสังสารวัฏนี้อีกนานๆแต่ขอมีความสุขคนที่ปรารถนาจะถึงพระนิพพานในชีวิตนี้มีไม่มากหรอก มีไม่มากหรอกนะส่วนใหญ่ขอชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นต้องการอย่างนี้เพระ้นพระเวสสันดรก็ตอบสนองทําบุญทําทานอปไรไปชีวิตจะได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็โปรแกรมจิตใจตัวเองไว้ให้อยู่ในศาสนาพุทธพอตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องไปเจอภาษสีอานภาษสีอานไม่ไปเกิดศาสนาอื่นหรอกนะอยู่ในศาสนาพุทธนี้ ไมว่ามันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรเ น, นี่ยเยอะแยะเลยตั้งแต่ขั้นต้นรักษาพวกที่ยินทรียอ่อนไว้ให้อยู่ในพระพุทธศาสนาฝึกให้รู้จักเสียสละทรัพย์สิน ร, รู้จักเสียสละร่างกายทําสิ่งที่ทําลําบากเหนื่อยต่อไปก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้น ผ่านงานพระเวสสันดรไดนะ้ใจเราจะแข็งแรงขึ้นทําสิ่งที่ลําบากเพื่อความดีได้ละต่อไปการที่จะนั่งภาวนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากมันเคยทําอะไรที่ทํายากมาแล้วฟังเทศมหาชาติให้ได้ในวันเดียวสมัยโบราณยาวกว่านี้นะแต่สิ่งหลอกลวงเยอะกว่านี้เช่นมีปีพาสมีอะไรให้ดูให้ฟังด้วย บางทีบางวัดนะเหมือนเล่นละครให้ดูมีคนแต่งเป็นพระเวสสันดรเป็นชูชกเป็นอะไรมาแสดงประกอบตอนที่พระเทศคนก็ดูสนุกไปเอาของสนุกมากเกินไปมันก็ปิดบังธรรมะเอาไว้หมดคนก็จะอุไอชูชกคนนี้เล่นเก่งปีกลายเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยที่หลกพ่าจัดนี้มีแต่เทศจริงจริง ไม่มีอะไรมาหลอกหลวงปีพงปีพาศอะไรไม่มีแต่นั่นก็จำเป็นสำหรับคนโบราณเขาไม่มีมโหาระสะพก็มาดูมาเล่นเก็ออยังดีกว่าไม่มานี่ถ้าเรามีสติปัญญาเราก็รู้ว่ามันคือการฝึกตัวเองอดทนไหมในการนั่งนี่ยังทนน้อยนะให้นั่งก้วี คิดให้ดีถ้าใครจะมานิมนต์ให้เทศครั้งต่อไปจะนั่งพื้นไม่กล้าแล้วอันนี้เวลาเราผ่านอะไรที่ลำบากมาแล้วนะต่อไปการทําสิ่งที่ลำบากมากขึ้น่ะมันก็ทําได้มันเป็นการฝึกตัวเองงั้นเราฟังเทศหามลูกหามค่ํามาแล้วจะไปภาวนาหามลูกหามค่ํา แทนที่จะต้องฟังคนอื่นเทศมาฟังจิตนี้เทศเดี๋ยวก็เทศเรื่องกุศลเดี๋ยวก็เทศเรื่องอกุศลเดี๋ยวก็เทศเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายหรือมาดูร่างกายสอนธรรมะเรานั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เจ็บโน้นเจ็บนีนะ่เดี๋ยวก็คันนะอดทนนะเรียนรู้มันไปร่างกายนี้มีแต่ทุกข์จิตใจมีแต่ความไม่เที่ยง เราเคยผ่านความลำบากแนละ้วการภาวนามันก็เข้มแข็งขึ้นเพรา ะ, ะนั้นพวกเราที่ฟังพระเิจสรณดอนมานะก็ให้ฉลาดหน่อยมีกำลังที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทำซะเร็วๆไม่ต้องหลออช้ากำลังไม่พอมีใจตั้งมั่นมุ่งมั่นจะอยู่ในพระพุทธศาสนานี่แหละไม่ยอมไปท่ยอย่น แล้วก็ฝึกตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถึงจะยากลำบากก็ต้องอดทนอดทนเป็นธรรมะสำคัญนะดีกว่าฉลาดอีกฉลาดแต่ไม่อดทนไม่ได้กินหรอกมันต้องอดทนจริงสุดท้ายต้องอดทนต่อความตายกล้าตายถึงจะได้ธรรมะขั้นสุดท้ายได้อ น, นิพพานอยู่าคตายเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอก อดทนนะการภาวนาไม่ทนไม่สำเร็จหรอกอะไรที่มาผูกมัดจิตใจเราไว้ให้เรียนรู้นะเรียนรู้มันกล้าที่จะสละออกแต่สละอย่างมีสติปัญญานะไม่ใช่สละโง่โ ง, โงมีบ้านขายบ้านเอาไปยกให้วัดอนะไรเงีนะ้ยไม่มีบ้านจะอยูนะ่จิตใจก็เศร้าหมองทีหลัง ทำทานแล้วเศร้าหมองทีหลังไม่ดีพระเวสสันดรทำทานแล้วเบิกบานมีทำทานแล้วเศร้าหมองอยู่ครั้งเดียวในตอนที่ชูชกมาตีลูกให้ดูตอนนั้นจิตพระเวสสันดรเศร้าหมองเพราะว่าท่านยังมีกิเลสอยู่ขอลูกก็ให้ลูกไปแล้วนะยังมาจับลูกผูกเชือกผูกมัดไว้นะแล้วแลก็เอาไม้ตีเหมือนตีบัวตีควายอะไรเง้ย ในพระเวสสันดร น, นะจับมีดไปจะฆ่าชูชกนะเนียความรักลูกจิตตรงนั้นเศร้าหมองพอขยับจะไปเล่นงานชูชกจะช่วยลูกแนละ้วสัญชาตญาณพ่อมันจะช่วยลูกสติปัญญาตามมาทันยกให้เข้าไปแล้วนีนะ่ไม่ใช่สมบัติของเราแนละ้วทำใจได้ใจก็เบิกบานขึ้นมา แต่ถ้าพระเวสสันดรให้ทานไปแล้วจิตเศมองนะยังบารมีอ่อนแต่ขนาดพระเวสสันดรจิตอย่างเมองไปแว บ, บหนึ่งเลยจะฆ่าชูชกแล้วดีที่ชูชกอยู่ห่างๆนะถ้าอยู่ใกล้ๆอาจจะโดนมีดบินไปแล้วอะไรที่เราผูกมัดหยึดถือสิ่งนั้นแหละผูกมัดเราไว้กับโลก ค่อยๆ ค, คลายออกจากโลกซะตรงที่คลายออกจากโลกนี่ย น, นคขมมะในคขมมะผนะูกมัดติดอยู่ในความสุขต่างๆความสุขจากการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายนี่เป็นการมาสุขนะสุขอีกอันที่ผูกมัดเอาไว้กับโลกที่สุขในฌาน ในรูปประชาญในอรูปประชาญสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องผูกมัดเพรนั้นถ้าใครติดสมาธิอยู่นิพพานไม่ได้ไปไม่ถึงมันเป็นเครื่องผูกมัดทรัพย์สินเงินทองชีวิตร่างกายครอบครัวสิ่งเหล่านี้ผูกเราไว้ทั้งหมดบางคนก็ถูกชื่อเสียงเกียรติยศผูกมัดไว้ สำรวจตัวเองอะไรผูกมัดเราไว้ทําให้เนิ่นช้าสมควรปลดออกก็ปลดออกปลดอย่างมีปัญญานะไม่ใช่ปลดแบบไม่รับผิดชอบอย่างเราต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวเงี้ยเอาบ้านไปยกให้วัดเงี้ยไม่ถูกทําแบบไม่รับผิดชอบไม่คิดจิตจะสร้าหมองที่หลัง หรือบางคนเอาเมียไปยกให้คนอื่นที่จริงจะหาใหม่ขจัดอีแก่นี่ออกไป อ, อันนี้ไม่ได้บุญนะเอาลูกไปยกให้คนอื่นไปขี้เกียจเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้บุญมันทำเพราะไม่รับผิดชอบลูกที่เราไม่ได้รักอยากให้คนอื่นเมียที่เราไม่รักอยากให้คนอื่นนี่ไม่ใช่เครื่องผูกมัด น, นะ สิ่งที่ผูกมัดเหนียวแน่นคือสิ่งที่เรารักที่จะผูกมัดเหนียวแน่นสิ่งที่ไม่รักผูกมัดเราไม่อยู่หรอกนะเพราะเราอยากปลดอยากหนีอยู่แล้วนั้นเรามาสํารวจใจเราผนะูกพันยึดติดอะไรบางคนติดแมวไปไหนไม่ได้เลยห่วงแมวเดี๋ยวแมวเหงาอะไรอย่างเงี้ยอย่าง น, างนี้แมวเป็นเครื่องผูกมัด วิธีแก้ปัญหาทํายังไงเอาแมวไปปล่อยวัดเหรอดังนั้นไม่รับผิดชอบนะก็ฝึกตัวเองไม่ผูกมัดมากค่อยๆ ค, ค, คลายออกจะไม่อยู่ก็าหาฝากให้ใครเขาดูให้ใครเขาเลี้ยงให้อนะไรเงีนะ้ยก็ค่อยๆปลดภาระออกไปนะมีสมบัติมากกลัวผู้ร้ายมาปล้นก็อย่ามีมากสิมีเท่าที่จําเป็นของจําเป็นไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอก ของที่แพงไม่จำเป็นหรอกแหวนเพชรจำเป็นไหมไม่จำเป็นของที่จำเป็นจริงๆไม่แพงหรอกอาหารธรรมดาเนี่ยไม่ใช่กินมื้อละหลายหลายพันหลายหลายหมื่นอะไรจำเป็นบ้านหรูราผู้ร้ายก็อยากพล่นอยู่กระต๊อบหมา ย, ยังไม่มองเลยไม่เดือดร้อน บ้านของเรานะ่แน่นหนาใชมมีรั้วมีกำแพงมีประตูหน้าต่างมีเหล็กดัดมีอะไรสารพัดมีกล้องวงจรปิดต่อไปที่สถานีตำรวจด้วยอพรย่างงีม้มีมากมีมากก็เป็นภาระมากห่วงมากคนจนๆผ่านในหมู่บ้านเห็นไหมมีบ้านประตูเขาแบบฉากทีเดียวเขาหลุดหมดแล้ว ไม่เห็นมันกลัวเลยทิ้งบ้านไปเป็นวันๆนะหายไมไม่ห่วงเพราะของจําเป็นจริงๆไม่แพงจะไหมไม่แพงหรอกของที่ไม่จําเป็นอะแพงของจําเป็นที่แพงเห็นมีอยู่อย่างเดียวคือยายานี่มันผูกขาดมิฉะั้นราคาแพงกว่าความเป็นจริงเยอะเลยนะอาหารที่เรากินจริงๆไม่แพงนะ กินอย่างโน้นกินอย่างนี้บางคนไม่รู้กินเพื่ออะไรนะกินแล้วก็ต้องไปลงเฟซบุ๊กด้วยวันนี้ไปกินอันนี้อันนี้ตัวนั้นมันซ่อนกิเลสไม่หลายตัวนะถ้าไปกินของแพงก็โอ้อวดซ่อนความโอ้อวดไว้อยากอวดว่าได้กินของแพงบางทีก็อยากประกาศาฉันยังอยู่นะอย่าลืมฉันนะ ฉันยังอยู่มันคือการรักษาอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นไปดูพวกเล่นเฟซบุ๊กให้ดียไม่ต้องดูที่ไหนนะดูในนี้แหละส่วนใหญ่ก็มีกันแทบทั้งนั้นเล่นเพื่ออะไรดูให้ดีเล่นแล้วสนองกิเลสแค่ไหนรู้ทันมันเข้าไปนะไลน์กับเฟซบุ๊กเป็นเครื่องผูกมัดสมัยใหม่ซึ่งสมัยพระเวสสันดรไม่รู้จักรู้สึกผูกมัดไหม มีไลน์มีเฟซบุ๊กต้องคอยอัปเดตเขาเรียกอะไรเขาเรียกอัปเดตมะไม่ใช่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ต้องคอยโพสโน่นโพสนี่ดูว่าได้กี่ไลค์กี่แชร์ได้มากก็ดีใจไม่มีใครสนใจนะห่อเหี่ยวว่าทำไมไม่มีใครรู้จักเราเลยอยากเป็นเน็ตไอต้อนอยากดังครสาระ เห็นของไม่มีสาระเป็นของมีสาระไม่มีอะไรเลยมันมีคนต่างประเทศคนนะมันลงทุนเสียเงินไปเยอะจนเป็นหนี้เยอะเลยเพื่อจะได้เป็นเนตไนดอนแต่งตัวแปลกๆไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ไปกินอะไรอะไรมาโฆษณาคนติดตามมากแล้ววันหนึ่งมันก็หายโง่บอมันเป็นเนตไนดอนแต่มันมีหนี้เยอะเลย ทำไมมันต้องใช้ชีวิตที่โง่มันก็เลยอย่างนี้เริ่มฉลาดขึ้นเนี่กิเลสท่านั้นนะมันซุกซ่อนตัวอยู่ในทุกๆ ก, การกระทำของเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปอะไรที่ผูกมัดเราไว้ก็รู้จักวางซะบางอย่างเป็นของไม่จำเป็นอย่างการเล่นอะไรบ้าๆบอๆอะไรนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะไปเล่น บางอย่างที่ผูกมัดเรายัางจำเป็นอยู่อย่างเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรนี้ยังจาเป็นนะมีความรับผิดชอบต้องทำแต่ทำแล้วต้องมีการวางใจที่ถูกเราเลี้ยงลูกได้แต่ลูกเราอาจจะไม่ได้อย่างใจเราอันนี้คลายความยึดถือแล้วเริ่มมีปัญญาแล้วเริ่มมีปัญญารู้แล้วเราเลี้ยงมันได้ให้ข้าวกินให้เรียนหนังสือได้ ถึงเวลาแล้วมันไปเรียนหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกหรือบางทีมันไม่ไปเรียนไปตามเฝ้ามันควบคุมมันให้มันเรียนอะไรย่างนี้ยก็คุมไม่ได้ตลอดเวลามันไปนั่งอยู่ในห้องเรียนนะแต่ใจมันหนีไปที่อื่นเนี่ยแล้วคุมมันไม่ได้จริงหรือบางทีมันไปคบเพื่อนติดยาบางทีก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นรถคว่มตายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นชาวพุทธนะ มันจะรู้ว่าเราทําหน้าที่เลี้ยงลูกนะแต่ลูกจะเป็นยังไงอยู่ที่กรรมของลูกอยู่ที่กรรมเดีย๋ยนี้เรียกว่าไม่ได้ผูกมัดละ่ะแต่เพียงแต่แค่ทําหน้าที่นะไม่ใช่ผูกมัดว่าลูกจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลลูกไม่อยู่กับเราตลอดกาลเดี๋ยวนี้พอจะไปเข้ามาหาวิเลยบางทีก็ไปจังหวัดอื่นหรือไปประเทศอื่นไม่ได้อยู่กับเรา มันไปเรียนหนังสือเราก็หวังว่าเดี๋ยวมันเรียนหนังสือจบแล้วมันจะกลับมาอยู่กับเราเราเรียนหนังสือจบมันไปทํางานมันไปอยู่ที่อื่นอีกไปมีลูกมีเมียของมันเองอยู่ที่อื่นนะเราก็อยู่เป็นตัแก่ใหญ่แก่อยู่กับหมากับแมวอะไรของเราไปเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเข้าใจนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกทูกมัดมากก็มีแต่ทุกข์มากเป็นห่วงไหมลูกยังไม่กลับบ้านเป็นห่วงไหม ใครเป็นพ่อเป็นแม่บ้างแล้วลูกหายไปผิดเวลาไม่กลับบ้านเป็นห่วงไหมโยเวนลูกชนิดนี้ที่กลับบ้านไม่ตรงเวลาอย่างนี้ไม่ห่วงมากบางที่มื่หายไปเฉยๆอะไรเงี้ย น, นะจนเราชินนี่เราไปสำรวจใจเรานะทำหน้าที่นะในโลกแต่อย่าให้มันผูกมัดใจเราจนเป็นทาตของกิเลสค่อยๆฝึกตัวเองไปนะ นี่คือธรรมะที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของพระเวสสันดรฝึกตัวเองพระเวสสันดรฝึกตัวเองหรือเปล่าฝึกใช่ไหมฝึกได้เต็มที่ไหมได้สมบูรณ์หรือยังยังยังเป็นลือศีอยู่ตอนนั้นยังไม่รู้จักอริยมรรคเพราะงั้นบารมีพระเวสสันดรยังไม่เต็มหรอกเพราะปัญญาบารมียังไม่เต็มปัญญาบารมีของท่านเต็มตอนไหน ตอนที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาแล้วก็บรรลุเป็นพระอราหารันต์ขนตัวนั้นนะท่านเต็มก่อนนั้นบา ร, รมีตัวอื่นเนะเต็มแนละ้วกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะนะแล้วบา ร, รมีทั้งสิบตัวนะสุดท้ายมันคือกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะทั้งหมดเลยอย่างเ น, นคธ ร, รมนะบารมีออกจากกลาง ยอมตายก็ตายออกมาบวชแล้วตายก็ตายสละชีวิตได้อธิษฐานนั้นบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอะไรเนี้ยยอมตายเพื่อธรรมะได้เท่านั้นเมตตานะเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมให้เสียเมตตาจะตายก็ไม่ยอมที่จะทิ้งความเมตตาเพราะบารมีที่เต็มแนละ้วก็คือบารมีที่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะ พระเบสสนันามาถึงตรงนี้ได้กลาสรรชีวิตกล้าสราสรสิ่งผูกมัดทั้งหลายเพียงแต่ยังไม่รู้ทางที่จะหลุดพ้นแต่สิ่งผูกมัดเนี่ยไม่มีแล้วสลรทิ้งหมดแล้วเหลือแต่สิ่งอยู่ข้างหน้ายังไม่รู้ทางที่จะไปตอนที่มาเป็นเจ้าชายสุดทธธาัามาคนพบเส้นทางนี้ขึ้นมา เ, เทศเรื่องพระเวสสันดรสมุติเวลาไปแล้วนะไปกินข้าวไปนี่หมดเลยครับ